ข้อความในมัชิมนิกายมูลปัญนาสัมมาทิฏฐิสูตรต่อจากครั้งที <foundation, S 2> ่แล้วย้อนมาว่าสัมมาทิฐินั้นเป็นชื่อของความรู้ความเห็นที่ถูกต้องความรู้ความเห็นที่ไม่ผิดพลาดถามว่าความรู้ความเห็นที่ถูกต้องและไม่ผิดพลาดนั้นต้องรู้อะไรจึงจะเป็นการรู้ที่ถูกต้องรู้แล้วรู้ไม่ผิดความรู้ที่ถูกต้องรู้ไม่ผิดพลาด เป็นความรู้ที่สามารถทำที่สุดแห่งทุกได้เป็นความรู้ที่ทำให้ศรัทธามั่นคงในพระตนะไตรมั่นคงในพระพุทธคุณธรรมคุณและสังฆคุณทันทีพระสารีบุตรท่านยกขึ้นมาเป็นประเด็นตั้งคำถามแก่พระพิสุท์ทั้งหลายว่าอาวุโสที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิด้วยเหตุกี่ประการนะอาวุโส พระอร y าสาวกจึงจะเป็นผู้มีความเห็นถูกต้องเป็นโลกุตระสัมมาทิทฐิมีความเห็นที่ตรงประกอบด้วยความเลื่อมใสไม่คลอนแคลนได้มาสู่พระสัทธรรมคือโลกุตระธรรมนี้แล้วได้มาสู่โพธิปัจขยธรรมนี้แล้วฉะนั้นผู้ที่มีความเห็นถูกต้องเห็นอย่างไรจึงจะว่าเห็นถูกต้องครั้งที่แล้วได้พูดไปวาระเดียวเนี่ยนะวาระว่าด้วยกรรมบทคือรู้ชัด กุศลอ่าขอไปรู้ชัดอกุศลรู้ชัดอกุศลมูลรู้ชัดกุศลรู้ชัดอกุศลมูลผู้ที่รู้ชัดอกุศลอกุศลมูลรู้ชัดกุศลกุศลมูลแยกออกว่าอกุศลคืออกุศลกรรมบทสิบอกุศลมูลก็คือราคะโทสะและโมหะกุศลกุศลก็คือกุศลกรรมบท10 กุศลโมลก็คืออโลพาอาโทสะและอโมหะผู้ใดที่รู้ชัดอย่างนี้ผู้นั้นก็สามารถทําที่สุดแห่งทุกได้เพราะคําว่ารู้ชัดนั้นไม่ใช่รู้ธรรมดาก็คือรู้แจ้งแทงตลอดลก็คือเห็นอริยสัจนั่นเองท่านสามารถเห็นกุศลอกุศลแล้วอย่างกุศลอกุศลลงสู่อริยสัจได้ความรู้ความเห็นอันนี้แหละเป็นความรู้ความเห็นที่ถูกต้องเนี่ยนะ เป็นเหตุให้ศรัทธา ม, มั่นคงในพระตนะตรยัยนี่มาขึ้นวาระที่สองในหน้า522ข้อ112พระภิกษุเหล่านั้นหลังจากที่ฟังก็พากันชื่นชมอนุโมทนาภาสิตของท่านพระสารีบุตรแล้วก็กล่าวว่าสาธุไต้เท้าแล้วว่ายินดีอย่างยิ่งนยนะยินดีด้วยจริงๆเป็นคำที่น่าชื่นชมอนุโมทนา ผู้เจริญนี้แสดงได้อย่างถูกต้องพระพิสูจน์เหล่านั้นก็ได้กลาบยปถามปัญหาต่อไปกับท่านพระสารีบุตรให้สูงยิ่งขึ้นไปอีกอคำพูดนี้แหละเป็นคำพูดประเภทเวทละ ห, หมายถึว่าอาศัยคเป็นการถามยิ่งยๆ่ง่ง่งยิ่ ง, ง, ง, งขึ้นไปที่สุดเท่าที่จะทำได้ก็เลยถามว่าใก้เท้าขอรับยังมีเหตุคือปริยาอย่างอื่นอีกบ้างไหม ที่จะให้พระอริยญญาสาวกมีความเห็นอย่างถูกต้องมีความเห็นตรงประกอบด้วยความเลื่อมใสในธรรมะไม่คลอนแคลนมาสู่พระสัทธรรมนี้มีวิธีอื่นอีกไหมมีเพที่เรียกว่าทำให้บันมั่นคงในพระศาสนาได้อย่างเมื่อกี้นี้รู้ชัดกุศลอกุศลรู้ชัดกุอกุศลมูลอกุศลมูลการรู้ชัดอันนั้นสามารถทาให้ละอนุสัย กลายเป็นผู้มั่นคงในศาสนามีวิธีอื่นอีกไหมมีความรู้อย่างอื่นอีกไหมรู้อย่างอื่นอีกได้ไหมที่จะทำให้เป็นผู้มั่นคงในพระศาสนานี้พระสารีบุตรก็ตอบว่ายังมีมีวิธีอื่นก็มีนะพูดถึงผู้ที่มั่นคงในพระศาสนาเนี่ยนะถ้าเปรียบพระศาสนาเหมือนเหมือนกับทะเลแล้วอย่างลงสู่ทะเลหรือพระนิพพานเปรียบเหมือนทะเลเนี่ยนะ การแทงตลอดมีความรู้ความเข้าใจอย่างนี้ก็สามารถเรียกว่าปะเปิดท่าอย่างลงสู่ทะเลเปิดท่าเรือได้นั่นเองนะสามารถสร้างท่าเรือได้กี่แห่งที่จะทําให้สู่ลงทะเลลึกได้ฉันใดการที่จะมีความรู้ความเห็นที่ทําให้เป็นผู้มั่นคงในพระศาสนาสามารถมีได้หลายวิธีได้ไหมมีวิธีอื่นอีกไหมภาษาลิบุตรบอกว่ามีก็ได้กล่าวคํานี้ต่อไปว่า อวุโสเพราะเหตุที่อริยาสาวกรู้ชัดอาหารเหตุเกิดแห่งอาหารความดับแห่งอาหารข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งอาหารเพียงเท่านี้แหลคุณหรืออวุโสอริยาสาวกเชื่อว่ามีความเห็นถูกต้องมีความเห็นตรงประกอบด้วยความเลื่อมใสในธรรมะไม่คลอนแคลนมาสู่พระสัพธรรมนี้ แรีว่าอาหารเอาอาหารมาพิจารณาในลักษณะของอริยศาสตร์ใจจริงๆที่อื่นนี่ใช้คําว่าทุกตรงนี้ใช้คําว่าอาหารก็ไม่ผิดนะนะอาหารอาหารสมุ ท, ทยัยอาหารนิโรธอาหารนิโรธาคามินีปฏิปทางั้นความรู้ในอริยศาสตร์นั้นสามารถแปรรูปได้หลายประเภทถ้าเข้าใจวัตถุดิบอย่างถูกต้องแปรสภาพได้หลายอย่างนะอย่างคําว่าทุก แปลสภาพได้หลายอย่างอย่างบางอื่นเนี่ยไม่ไม่ใช้คำว่าอาหารก็ได้ใช้คำว่าสักกายะเหตุเกิดของสักกายะความดับสักกายะข้อปฏิบัติให้ถึงความดับสักกายะตรงนี้ใช้คำว่าอาหารรู้ชัดอาหารรู้ชัดอาหารสมุทัยเรียกว่าเหตุเกิดแห่งอาหารรู้ชัดความดับหรืออาหารนิโรธรู้ชัดข้อปฏิบัติให้ถึงความดับอาหารอวสอริยสาวก ผู้ที่รู้อย่างนี้ชื่อว่ามีความเห็นถูกต้องมีความเห็นตรงประกอบด้วยความเลื่อมใสไม่คลอนแคลนมาสู่พระสัพธรรมนี้พระสารีบุตรก็ถามเป็นกฐเเตุกกรรมมยตาปุจฉาถามเพื่อจะตอบเองว่าถามว่าอาหารคืออะไรเล่าคุณนะอาหารคืออะไรเหตุเกิดแห่งอาหารคืออะไรความดับแห่งอาหารคืออะไรข้อปฏิบัติปฏิปทาให้ถึงความดับอาหารเนี่ยคืออะไรแต่ละอย่างแต่ละอย่างนั้นเป็นอย่างไร ถามเองก็ตอบเองว่าอาวุโสอาหารนี่มีสี่อย่างเหล่านี้อาหารสี่อย่างเหล่านี้เพื่อให้สัสตว์ทั้งหลายที่เกิดแล้วภูตาวาสัสตว์ที่เกิดแล้วตรงนี้มาจากคาว่าภูตาวาดำรงชีพอยู่ได้เพื่อให้สัตว์ที่เกิดแล้วดำรงชีพอยู่ได้หรือเพื่ออนุเคราะห์สัตว์ทั้งหลายที่กาลังหาที่แสวงหาที่เกิดอันนี้มาจากคาว่าสัมภเวสีวา นะะพูตาวาสัมภเวสีวานเนี่ยนะสัตว์ทั้งหลายที่เกิดแล้วเนี่ยมาจากคําว่าพูดกําลังสแสวงหาที่เกิดมาจากคําว่าสัมภเวสีคําแปลตรงนี้เนี่ยเขาแปลไว้กว้างๆเท่านั้นเองที่จริงไม่ใช่เป็นคําแปลที่สมบูรณ์อะไรเขาแปลเป็นเพียงตัวอย่างให้ดูฉนั้นคําว่าพูดคําว่าสัมภเวสีเดี๋ยวจะได้กล่าวอีกครั้งหนึ่งอาหารสี่ประการเหล่านี้แหละเพื่อสงเคราะห์พูด เพื่อให้พูดและสัมภเวสีดํารงอยู่ได้อาหาร4ประการนี่แหละที่เพื่ออนุเคราะห์พูดและอนุเคราะห์สัมภเวสีสรวะอาหารเนี่ยเป็นตัวที่ทําให้พูดและสัมภเวสีดํารงอยู่ได้อนุเคราะห์พูดและสัมภเวสีอาหาร4อย่างคืออะไรบ้างอาหารสอย่างก็คือกัเพลีงกราหารอาหารเป็นคำๆเนี่ยนะไม่ว่าจะหยาบหรือละเอียดสองผัดสาหารอาหารคือ ภาษาเอถะาน้ำนี่เป็นคำคำหรือเปล่าเป็นอึกๆกกันแล้วกันถ้าอึกอกก็นับเป็นคำเหมือนกันนะใช่ไหมเพราะเราไม่ได้เกลือนแบบรวดเดียวแบบสายยางลงท่อปั๊มใส่เลยนะมันก็เกลือนทีละอึกทีละอึกทีละอึกเพราะน้ํนาที่ดื่มก็รวมเรียกว่าเป็นคำคำเหมือนกันนะนะไม่ว่าจะอย่างหรืออย่างละเอียดสรุปไว้ตัวยาทุกชนิดรวมทั้งเรียกว่ากัลผลิงกราหารหมด อย่างที่สองภาษาอาหารอาหารคือภัษาสามมโนสัญเจตนาอาหารอาหารคือกรรมอาหารคือเจตนาสุดท้ายวิญญาณอาหารอาหารคือวิญญาณในคำว่าอาหาร4ประการก็คือกับผลีกระหานภาษาอาหารมโนสัญเจตนาอาหารและวิญญาณอาหารอาหาร4ี่ประการเกิดเพราะอะไรเกิดเพราะตัณหาเกิดอาหารจึงเกิดถ้าที่อื่นเนี่ยให้เต็มสูตรก็บอกว่าเพราะอวิชชาเกิดอาหารจึงเกิดเพราะกรรมเกิดอาหารจึงเกิดเพราะ ตันหาเกิดอาหารจึงเกิดเป็นต้นตรงนี้ยกเพราะตันหาอย่างเดียวว่าเพราะตันหาเกิดอาหารจึงเกิดถามว่าอาหารจะดับได้เพราะอะไรดับพเพราะตันหาดับอาหารจึงดับอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8นี้เท่านั้นเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับอาหารหรือเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกทุกก็คืออาหารอาหารก็คือทุกอันเดียวกันอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8นี้เท่านั้นเนี่ยอะไรบ้างสัมมาทิฏฐิ ความเห็นถูกต้องสำมาสังกปะความดําริที่ถูกต้องสำมากรรมมันตะการงานที่ถูกต้องสำมาวาจาการเจรจาการพูดที่ถูกต้องสำมาชีวะการเลี้ยงชีพที่ถูกต้องสำมาวายามะความพยายามที่ถูกต้องสำมาสติความระลึกถูกต้องสำมาสมาธิการตั้งใจมั่นถูกต้องตรงนี้สามสี่นี่เขาแปลสลับกันนิดหน่อย อาวุโสเมื่อใดแลอริยสาวกรู้ชัดอาหารรู้ชัดอาหารสมุทัยเหตุเกิดแห่งอาหารรู้ชัดรู้ชัดอาหารนิโรธความดับแห่งอาหารรู้ชัดอาหารนิโรธทคามินีปฏิปทาคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับอาหารอย่างนี้แทงตลอดอาหารหรือแทงตลอดอาหารโดยอริยสัตว์ถ้าทาได้อย่างนี้เมื่อนั้นเธอจะละราคะนุสัยได้ บรรเทาปฏิคานุสัยได้ทอนทิฏฐิมานะได้ว่าเรามีและอวิชชาเสียได้โดยประการทั้งปวงยังวิชาให้เกิดขึ้นแล้วอวุโสอริยาสาวกเชื่อว่าเป็นผู้มีความเห็นถูกต้องมีความเห็นตรงประกอบด้วยความเลื่อมใสในธรรมะไม่คลอนแคลนได้มาสู่พระสัพธรรมนี้แล้วทารู้จริงเนี่ยนะสีบทสี่สสีบ่บรรทัดเนี่ยนะอาหาร อาหารสมุทัยอาหารนิโรธอาหารนิโรธค า, ามินีปฏิปทาถ้ารู้จริงเข้าใจชัดเข้าใจอย่างถูกต้องก็สามารถละกิเลสละสมุทัยได้โดยประการทั้งปวงเป็นผู้ที่ดํารงมั่นอยู่ในพระพุทธศาสนามีศรัทธาที่มั่นคงในคูณของพระตนะตรยัยเอศรัทธาที่ทําไมเราต้องการบอกว่าในใ น, ในธรรมะเนี่ยนะทำไมทำไมท่านเหล่านั้นเนี่ย ต้องการความมั่นคงในศ า, าสนาเหลือเกินทำไมท่านต้องการความมั่นคงไม่แบบไม่ไม่เปิดทางถอยให้ตัวเองบ้างเลยหรือศึกษาก็นิดนิดหน่อยก็พอแล้วเนี่ยนะหาทางนี้ที่ไล่เอาไว้ถอนตัวได้ทาไมจะต้องเจาะลึกขนาดเรียกว่าถอนตัวไม่ออกเลยเนี่ยนะทำไมท่านเหล่านั้นต้องการแบบนั้นทำไมท่านไม่แบบอะไรนะขอขอเรียนรู้หน่อยแบบเขามีนะหลายคนเหมือนกันนะสมัยพุทธกาลเนี่ย เขาขอเข้ามาเรียนธรรมะในะาศาสนาปลอมตัวมาบวชก็มาบวชเนี่ยนะคือบวชตั้งใจจริงก็ว่าอยากมาขอเรียนรับทธิว่าทำไมพระพุทธศาสาศนาจึงเต็มไปด้วยลาบและสการะก็ อ, อยากมาเรียนดูด้วยว่าเขาสอนรับที่อะไรกันเขาสอนอยังไงเมื่อตัวเองเรียนจบแล้วจะได้เอาไปประยุกต์ใช้เป็นข้อปฏิบัติในรับที่ของตัวเองเนี่ยนะเสร็จแล้วก็จะได้เพิ่มพูมเต็มสมบูรณ์ด้วยลาบและสการะ อันนั้นคือ ล, ลักษณะนักคิดนอกศาสนาพวกเบรธีทั้งหลายต้องการแบบนี้แต่ทําไมผู้ที่อยู่ในพระศาสนาพระอะไรบุคคลทั้งหลายที่เข้ามาบวช ด, ด้วยความเลื่อมใสทราบซึ่งในคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทําไมท่านท่านต้องการความมั่นคงในพระศาสนาทําไม เขาบอกว่าถ้าพูดแบบทั่วไปเนี่ยถ้าแบบชาวโลกทั่วๆไปเราไปสมัครงานในบริษัทที่มีความมั่นคงให้เสถียรภาพแน่นอนทุกอย่างเลยนะเลี้ยงเราดีทุกอย่างหมายความว่าเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมโดยส่วนเดียวเนี่ยนะถามว่าเราต้องการความมั่นคงหรือต้องการให้เขาปลดออกต้องการความมั่นคงฉันใด น, นี้พระพุทธศาสนาก็ยิ่งกว่านั้นเยอะเนี่ยนะพุทธศาสนาเพราะว่าผู้ที่มีความมั่นคงในพระพุทธศาสนาก็ได้รับ มรดกจากพระพุทธเจ้าอย่างความมั่นคงของชาวโลกถ้ามีณองค์กรใดที่ใดโดยมากก็มีส่วนในการรับมรดกของสิ่งนั้นนั้นสถานที่นั้นชั้นใดนี่ก็เหมือนกันถ้าเรามีความมั่นคงในพระพุทธศาสนาเราก็มีสิทธิ์ในรับมีสิทธิ์หรือได้สิทธิสามารถรับอริยทรัพย์ได้เลยมีความมั่นคงทางอริยทรัพย์สูงมาก เพราะพระรยะเนี่ยคือผู้ที่มีความมั่นคงในพระศาสนาคือผู้ที่มั่นคงในอริยทรัพย์นี้ยกศรัทธ า, ข, าขึ้นมาเป็นตัวอย่างท่านเป็นผู้ที่มีศรัทธาอย่างมั่นคงก็แสดงว่ามีวิริยะอย่างมั่นคงมีสติอย่างมั่นคงมีสมาธิอย่างมั่นคงมีปัญญาอย่างมั่นคงจะแปลไปเป็นมิจฉาทิฐิไม่ได้อีกแล้วจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยความประมาทต่อไปไม่ได้แล้วจะเป็นคนที่เลอะเลือนเบลอเป็นต้นไม่มีอีกแล้วมีแต่ความ ใจิตใจที่มั่นคงไม่ฟุ้งซ่านมีปัญญาที่รู้เห็นรู้ถูกต้องรู้ชัดรู้อย่างไม่ผิดพลาดรู้แล้วสามารถทําที่สุดแห่งทุกข์ได้ดันั้นท่านจึงต้องการความมั่นคงในพระาศาสนาเพราะเห็นว่าตัวเองตกจากพระาศาสนาเมื่อใดก็หมายความว่าตกจากข้อปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์เมื่อนั้นบรรท่านเหล่านั้นจึงมีความต้องการมั่นคงในพระาศาสนาดังนั้นคำพูดของท่านเหล่านั้นสมัยพุทธกาล คือท่านทำยังไงท่านจะมั่นคงในพระาศาสนาได้มีวิธีการอีกกี่วิธีการที่จะทำให้มั่นคงในพระาศาสนาเพราะท่านต้องการแสวงหาความมั่นคงในพระาศาสนาเนี่ยนะดรงมั่นอยู่ในพระาศาสนาไม่ต้องการตกจากพระาศาสนาเพราะว่าผู้ที่ตกจากพระาศาสนาอะไรเกิดขึ้นเสียหายแค่ไหนก็ถามว่าถ้าตกจากาศาสนาเสียหายขนาดไหน ถ้าหากว่าเห็นหมู่เดรชานทั้งหลายเนี่ยทำไม่ในใจได้เลยว่าเพราะบุคคลเหล่านี้ไม่มีศาสนาคือสิกขาสามเขาไม่มีศรัทธาในสิกขาสามเลยถ้าพูดแบบตรงๆเลยนะพวกเดรชานทั้งหลายถามว่าให้เขารักษาศีลและสิกขาได้ไหมเขาสนใจศีลและสิกขาไหมเขาสนใจจิตสิกขาและปัญญาสิกขาไหมเขาต้องการปฏิบัติในอริยมรรคอันต่อไปด้วยองค์8ปดไหมไม่ต้องการถ้าเขาไม่ต้องการปฏิบัติในมรรคมีองค์8เนี่ยนะ อันที่จริงใช้คำว่าสัมมาทิฏฐิในสูตรนี้เนี่ยมีความเห็นอย่างถูกต้องเนี่ยอันนี้เรียกว่าเอาความเห็นที่สูงสุดบรรดาความเห็นทั้งหลายเนี่ยนะแต่พื้นฐานที่สำคัญจะต้องมีกรรมมัศกตาสัมมาทิฏฐิกับมีฌานสัมมาทิฏฐิและเข้าใจในวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิเป็นอย่างดีจึงจะรู้จักโลกุตระสัมมาทิฏฐิที่เรากาลังพูดถึงในสูตรนี้เน้นโลกุตระสัมมาทิฏฐิ ท่านจะต้องมีกรรมสัสกาตาสัมมาทิฏฐิเสก่อนท่านเหล่านั้นท่านมีกรรมสัสกาตาสัมมาทิฏฐิอยู่แล้วรู้ว่าอะไรเป็นประตูนรกว่างั้นเถอะรู้อะไรเป็นประตูเปรตอสุรกายและเดราชาท่านรู้ว่าอะไรนะคือประตูแห่งสุขคติอะไรประตูเป็นประตูแห่งโลกสวรรค์อะไรเป็นประตูแห่งพรหมโลกอะไรเป็นประตูแห่งอรูปป ร, รมเมื่อท่านรู้ประตูแห่งอบายทุกขติวินิบาตนารก เทวดามนุษย์และพรหมโลกแล้วท่านต้องการจะได้รับ ร, OD, รู้จักประตูอยากจะเปิดประตูแห่งอมตะเนี่ยนะเปิดประตูแห่งพระนิพพานเปิดประตูเพื่อความสิ้นทุกขเปิดประตูเพื่อความดับทุกประตูนั้นเป็นอย่างไรเนาะก็เลยปรารถนาที่จะเปิดประตูแห่งพระนิพพานประตูแห่งพระนิพพานอันนั้นก็คืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ผู้ที่เปิดประตูคืออารยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8สําเร็จ หรือประชุมอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8สําเร็จบุคคลเหล่านั้นก็เป็นผู้ที่มั่นคงในในในอริยทรัพย์คือโพธิปัจจยธรรมเป็นผู้ที่มั่นคงในพระพุทธศาสนากุศลธรรมเหล่านี้ที่เขาเกิดขึ้นกุศลธรรมคือโพธิปัจจยธรรมที่เขาเจริญเขาปฏิบัติปกปักรักษาเขาไม่ให้ตกไปสู่อบายทุคติวินิบาตและนรกถ้ามรรคชั้นสูงขึ้นไปอีกก็ทําให้ไม่ตกไปสู่วัฏฏทุกข์โดยประการทั้งปวง ทำอธิบายในอธัธกถาตั้งแต่ข้อ 112-113 อธิบายว่าสาธาวุโสโคเป็นต้นเนี่ยะอธิบายว่าภิกษุเหล่านั้นครั้นได้ฟังเทศนาคำสอนการประกาศอริยสัจทั้งสี่ของท่านพระสารีบุตรโดยแนวทางคือกุศลและอกุศลอย่างนี้แล้วก็พากันชมเชยพาสิทธิ์ของท่านพระสารีบุตรด้วยถ้อยคานี้ว่า สาธุดีแล้วครับใต้เท้านะดีแล้วท่านผู้เจริญเนอะดีจริงๆว่งงางั้นเถนะเพราะว่าผู้ที่รู้ตามนี้รู้อย่างนี้พ้นทุกข์ได้แน่มั่นคงในพระาศาสนาแน่และอนุโมทนาด้วยจิตที่เป็นสมุทฐานของถ้อยคํานี้นั่นเองจิตจิตเกิดขึ้นเป็นจิตที่ประกอบด้วยโสมนัสจิตที่ประกอบด้วยโสมนัสและมีอนุโมทนามีมุทิตากล่าววาจาว่าสาธุเนี่ยนะนะ เสร็จแล้วก็รับเอาด้วยวาจารับด้วยวาจาว่าจะปฏิบัติเพื่อการเห็นแบบนี้แหละนะยืนยันรับรองว่าขอปฏิบัติเพื่อเห็นตามนี้แหละมีใจเอิบอิ่มในความรู้ความเข้าใจอันนี้ท่านดีใจมากเลยนะที่ท่านได้รู้อะไรรู้รู้ข้อปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ได้ท่านดีใจมากเหมือนกับคนหลงทางมานานเนี่ยนะมีคนที่บอกทางที่ถูกต้องเข้าใจอย่างชัดเจนเนี่ยมาฟังแล้วดีใจมาก พอดีใจก็บอกออมีทางอื่นอีกไหมแบบอะไรคนอัธยาศัยกว้างขวางะนะเขาไม่อยากรู้ทิศเดียวยังไม่อยากรู้วิธีเดียวต้องการรู้หลายวิธีและอีกอย่างหนึ่งถ้าบอกว่ารู้ว่าพระเถระนี้เป็นผู้สามารถจะแสดงธรรมเทศนาด้วยจตุราริยสัจคืออริยสัจทั้ง4ี่ประการได้เพราะเป็นผู้ที่พระพุทธเจ้าได้ยกย่องชมเชยภาษารีบุตรไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สารีบุทสามารถจะบอกจะแสดงอริยศาสตร์ได้อย่างพิสาร์โดยปริยายต่างๆเขาเรียกว่าถ้าถามเนี่ยไม่มีตอบจบมีสิ้นแบบนั้นนะขอให้ถามเถอะภาษารีบทเขาบอกว่าปัญญาของท่านไม่มีจบมีสิ้นทรายเนี่ยนะทรายจากแม่น้ําคงคาไหลไปทะเลเนี่ยมีทรายอยู่กี่เม็ดมีทรายกี่เม็ดที่เรียงเรียงอยู่ข้างแม่น้ำเนี่ยนะบอกว่าบอกว่าทรายเหล่านั้นยังคํานวณได้แต่ปัญญาภาษาดีบรคํานวณไม่ได้ แม่น้ำน้ำฝนที่ตกในห้องจักรวาลเนี่ยนะตกพร้อมกันทั้งหมดน้ําฝนเม็ดฝนเหล่านั้นยังพอคํานวณได้แต่ปัญญาภาษารรบุตรคํานวณไม่ได้เพราะฉะนั้นภาษารรบุตรสา ม, มารถที่จะประกาศอริยสัจได้อย่างกว้างขวางและพิสดารฟังตรงนี้บอกโอ้เวอ่อเหมือนไม่น่าเชื่อหรอกเป็นไปได้หรืออ่านปฏิสัมพิธามมัชจูลนิเทศมหานิเทศแล้วก็จําให้ได้ให้หมดแล้วจะรู้ว่าเออ ของเรากับภาษาริบุตรนี่แม้ของเราเนี่ยอะไรนะีรู้ชัดเจนแล้วมันหิงห้อยในยามดวงอาทิตย์ขึ้นชัดๆเลยนะจะรู้ชัดเลยว่าเขาบอกว่ามีหลายคนเขาบอกอุ้ยปฏิสัมพิทานะข้อปฏิบัติปฏิบัติตามนี้แล้วบรรลุได้แต่ว่ายากเกินไปเขาบอกงั้นกลับไปเดินทางเส้นเราดีกว่าเส้นเราเส้นไหนเชื่อเหอะเส้นพระนิพพานมีอยู่เส้นเดียวเดี๋ยนะคิดว่าทางถูกมีอยู่ทางเดียวที่เหลือผิดหมดขอไปเดินทางผิดตามเดิมดีกว่าเลยนะ ถามว่าผิดถูก อ, อะไรเป็นเครื่องวัดผิดถูก อ, อะไรเป็นเครื่องวัดเอาสัมมาทิฏฐิเป็นเครื่องวัดแล้วสัมมาทิฏฐิที่รู้ถูกรู้อะไรรู้อริยสัจถ้าความรู้เหล่าใดไม่เป็นไปเพื่อแทงตลอดอริยสัจความรู้เหล่านั้นใช้ไม่ได้คือคําว่าใช้ไม่ได้แปลว่าใช้ไม่ได้ตลอดไปอาจจะใช้ได้แค่ชั่วคราวอย่างเช่นความรู้บางอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้เป็นความรู้ที่ มันใช้ได้ชั่วคราวอย่างที่โยมก็เล่าว่าโว้ยพวกรู้คอมพิวเตอร์รุ่นแรกๆเนี่ยนะหมดสมัยไปนานแล้วมันะโยมคนหนึ่งก็เล่าว่าเขาเนี่ยโหไปเรียนช่างยนต์มาซ่อมรถยนต์ได้กับรถสมัยโบราณ น, นะรถสมัยนี้ทําอะไรไม่ได้เลยเสียเรียกช่างอย่างเดียวเพราะงั้นเพราะมันเป็นความรู้ที่มันคนละยุคแล้วเนี่ยนะความรู้เหล่านั้นมันใช้ได้เฉพาะเวลาเฉพาะช่วงเฉพาะการแต่ความความรู้เหล่านั้นเมื่อใช้ได้ชั่วคราวอย่างนี้เรียกว่า ใช้ไม่ได้ตลอดไปไม่เหมือนกับความรู้ในอริยศัสตร์ทั้งหลายเป็นความรู้ที่ใช้ได้ตลอดไปตลอดเวลาด้วยไม่มีควาว่าบอกล้าสมัยหมดสมัยแล้วสำหรับผู้ปรารถนาจะออกจากทุกข์นะอันนี้หมายความว่าแต่ถ้าคนไม่สนใจทางออกจากทุกข์ถ้าอย่างนั้นก็เอาเป็นประมาณไม่ได้แต่สำหรับผู้ที่ปรารถนาถึงความพ้นทุกข์แล้วนี่ความรู้ในอริยศสตร์นั้นถือว่าเป็นความรู้ที่ ไม่ล้าสมัยเนี่ยนะเป็นความรู้ที่ทําให้พ้นจากสังสารทุกข์เป็นความรู้ที่ดีและเป็นความรู้ที่สมบูรณ์ถูกต้องอย่างแท้จริงภาษาบุตรนั้นสามารถที่จะแสดงอริยศาสตร์เพื่อให้เกิดสัมมาทิฏฐิได้คือสัมมาทิฏฐิเนี่ยมันเป็นความรู้แล้วรู้อะไรจึงจะเรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิภาษาพุตรแจกแจงยยธรรมเพื่อญานะได้เคยเคยทรงพอจําได้ใช่ไหมในเนติปกรณ์สองคำ คำว่าญาณะกับยยะแยกออกนะคำถามของพระพิสูจน์ทั้งหลายว่ามีญาณะรู้ยยะอะไรจรึงจะเรียกว่าคนมีสัมมาทิฏฐิคือคือถามเพื่อให้เกิดปัญญาแล้วปัญญารู้อะไรก็บอกปัญญารู้เช่นรู้ชัดกุศลอกุศลกุศลละมูลอกุศลละมูลรู้ชัดอาหารเหตุเกิดของอาหารความดับอาหารข้อปฏิบัติให้ถึงความดับอาหารถ้ารู้ชัดอย่างนี้นะ น, นั่นเป็นสัมมาทิฏฐิ อันภาษารีบุตรบอกยายาธรรมเพื่อให้เกิดญาณะภาษารีบุตรถามยยาธรรมเพื่อให้เกิดญาณะก็เป็นสูตรที่กล่าวทั้งญาณะและยยะกล่าวถึงตัวความรู้และสิ่งที่ควรรู้อันสิ่งที่ควรรู้ทั้งหมดนั้นก็คืออริยสัจแต่ว่าอริยสัจสามารถแปล ร, รูปได้หลายอย่างนะนะตามหลักปฏิสัมพิทธ์และแปรรูปได้อย่างน้อย201 สองรอยอย้งแล้วเอาไปแปลในสภาพในหลายๆลักษณะด้วยกันโดยอย่างไม่มีที่ที่สิ้นสุดเนี่ยนะสามารถแสดงได้เข้ากับทุกอัธยาศัยที่คู่ควรแก่การบรรลุมรรคผลหมายคําว่าอริยศัสนั้นผู้ที่มีปัญญาระดับปฏิสัมพิทาเช่นพระสารีบุตรเนี่ยนะสามารถแสดงได้กับทุกอัธยาศัยแต่ว่าท่านโดยว่าท่านไม่รู้อัธยาศัยถ้าท่านรู้อัธยาศัยท่านแสดงธรรมได้ครบทุก อัธยาศัยอธิบายได้ทุกอัธยาศัยถ้าอย่างสมบูรณ์แบบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสา ม, มารถประกาศอริยสัจให้เหมาะสมกับทุกอัธยาศัยสําหรับผู้ที่มีอัธยาศัยจะได้บรรลุนะแต่ถ้าอัธยาศัยไปอบายเนี่ยพระองค์ก็ไม่รู้จะสอนตรงไหนเหมือนกันนะดูท่าแล้วก็เรียกว่าโปรดไม่ขึ้นยังไงก็สอนไม่ได้เนี่ยนะปแปล ว, ว่าไม่มาคิดถึงคําใหม่คาว่าเวนยัยสัจเวนยก็คือวินัยนั่นแหละ เวนยสัตว์ก็คือสัตว์ผู้สมควรแก่สังวรวินัยและปหานวินัยทีนี้ผู้ที่สมควรผู้ที่สอนให้รู้วินัยเนี่ยนะทั้งสังวรวินัยกับปหาวินัยได้เรียกใครสอนล่ะถ้าพระพุทธเจ้าสอนก็เรียกว่าพุทธเวนัยพุทธวินัยนั่นแหละแปลว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้สอนเรื่องวินัยสอนสังวรวินัยกับปหานวินัยได้นะหรือสาวกเป็นผู้สอนสังวรวินัยกับ ปหาณวินัยเป็นต้นถ้าอย่างในสูตรนี้พระพิสุกกลุ่มนี้เป็นพวกสาวกเวิไนผู้ที่สอนให้มีสังวรวิไนปหาณวินัยได้คือภาษาวกคือภาษารีบุตรภาษาเรีบุตรก็สอนได้ก็เนื่องจากว่าท่านเหล่านี้มีศรัทธาในาท่านภาษารีบุตรมากเนี่ยนะมีศรัทธาในภาษารีบุตรมากเนขณะเดียวกันภาษารีบุตรนี้สามารถที่แสดงอริยสัจได้อย่างพิสดารวิจิตพิสดารเนี่ยนะแล้วท่านก็เลื่อมใสยอย่างยิ่งในท่าน ภาษารีบุตรเชื่อความรู้ความสามารถของภาษารีบุตรแล้วต้องการปรารถนาจะรู้อย่างกว้างขวางเพราะเหตุที่ท่านภาษารีบุตรต้องการจะแสดงทำให้สูงยิ่งขึ้นไปก็เลยกล่าวคำว่าเอตาวตาปิโคอวุโสด้วยเหตุเพียงเท่านี้แหละคุณคื อ, อผู้ที่ผู้ที่ตอบปัญหาเนี่ยนะถ้าหากว่าพูดเพื่อให้คนอื่นถามต่อไปเนี่ยเขาฉลาดตอบ ตอบเพื่อให้แบบว่าเปิดทางไว้หน่อยหนึ่งให้ถามต่อต่อต่อไปไม่ใช่แบบตอบปั๊บตอบแบบแค่นี้ก็พอแล้วเนี่ยนะไม่ใช่แต่พระสารีบุตรเนี่ยตอบตอบคำถามเพื่อให้คนอื่นเขาถามต่อเปิดประตูให้ถามต่อบจากคำไหนเขาดูได้จากคำไหนว่าพระสารีบุตรเปิดประตูให้ถามต่อไปก็บอกว่า ด้วยเหตุเพียงเท่านี้แหละนะนะด้วยเหตุเพียงเท่านี้และคุน อ, อริยาสาวกชื่อว่ามีความเห็นถูกต้องมีความเห็นตรงประกอบด้วยความเลื่อมใสในธรรมะไม่คลอนแคลนได้มาสู่พระศาธรรมนี้แล้วดังนี้เนี่ยนะอันนี้แหละเป็นเป็ น, ป, น, ป, นประการเปิดประตูของภาษาริบุตรพระพิสูุเหล่านั้นท่านก็เข้าใจเพราะภิสูจนทั้งหลายเหล่านั้นผู้ประสงค์จะฟังศาสตรธรรมทเทศนาคือเทศนาว่าด้วยการแสดงอริยสัจ โดยในยะแม้อย่างอื่นจึงได้ถามปัญหาสูงยิ่งขึ้นไปกับท่านพระสารีบุตรคือการถามปัญหาเนี่ยนะบางคนถามเพื่อเพิ่มพูนศรัทธาการถามปัญหานะสังเกตบางอย่างนึงบางคนเนี่ยถามเพื่อเพิ่มพูนศรัทธาบางคนถามเพื่อเพิ่มพูนวิริยะบางคนก็ถามเพื่อเพิ่มพูนสติบางคนก็ถามเพื่อเพิ่มพูนสมาธิจากคําถามของพระพิสุเหล่านี้เนี่ยนะท่านต้องการเพิ่มพูนอะไรเพิ่มพูนปัญญาแสดงว่าท่านปรารถนา ปัญญีนียแสดงว่าอินทรีย์อื่นๆท่านดีอยู่แล้วนะท่านต้องการจะเพิ่มเติมอันเดียวคือปัญญินรียถามว่าการมีปัญญินรีย์ของท่านเพื่ออะไรเพื่อให้สัจทินีเนี่ยเป็นสัจทินรีย์ที่เป็นโลกุตระต้องการนะท่านมีศรัทธาอยู่แล้วแต่ท่านปรารถนาจะให้มีศรัทธาที่เป็นศรัทธาที่เป็นโลกุตระนารงมั่นอยู่ในมรรคผลเป็นศรัทธาที่มั่นคงในศาสนาทีนี้การที่จะเพิ่มคุณภาพของศรัทธาเพิ่มที่ไหน เพิ่มที่ปัญญาเนี่ยนะเพิ่มที่ปัญญาเพิ่มที่สัมมาทิฐิถ้ามีความรู้ความเข้าใจเท่าใดศรัท ธ, ธาก็มั่นคงเท่านั้นก็เลยปรารถนาจะเข้าใจให้มันยิ่งขึ้นไปอีกศรัท ธ, ธาจะได้มั่นคงก็เลยถามปัญหาชั้นสูงกับท่านพระสารีบุตรต่อไป